ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก124สะอาดด้วยน้ำหรือด้วยความประพฤติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณตาบนขยาสีสะใกล้แม่น้ำขยาสมัยนั้นฉดินมากหลายคือนักบวชกล้าผมเป็นเชิงดำผุดบ้างดำหัวบ้างเอามือวักน้ำรถตนเองบ้างในแม่น้ำขยา บูชาไฟบ้างในสมัยที่มีหิมะตกระหว่างราตรีฤดูหนาวอันเย็นเยียบด้วยคิดว่าความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยวิธีการนี้พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นดินเหล่านั้นทำอาการอย่างนั้นจึงทรงแปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความบริสุทธิ์เพราะน้ำในแม่น้ำที่คนเป็นอันมากอาบนั้นย่อมไม่มีผู้ใดมีสัจจะ มีธรรมะผู้นั้นเป็นผู้สะอาดเป็นพรามหมณ์12อยหอยู่ในอำนาจของคนอื่นเป็นทุกข์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณปราศาสตรของนางวิสาขามิคารามานดาในบุกพารามใกล้กรุงสาวัตถี สมัยนั้นนางวิสาขามีขารมานดามีธุระบางอย่างเกี่ยวข้องในพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระราชาไม่ได้ส่งพิจารณาเรื่องนั้นตามความต้องการข้อนี้อัฏฐกถากล่าวว่านางวิสาขาไปเฝ้าแต่ไม่พบหลายครั้งนางวิสาขาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวันถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งพระผู้มีพระภาค จึงตรัสถามว่าดูก่อนวิสาขาเธอไปไหนมาแต่ยังวันทีเดียวนางวิสาขาจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่า <c oughs> การอยู่ในอำนาจของคนอื่นทุกอย่างเป็นทุกข์ <c oughs> การเป็นอิสระทุกอย่างเป็นสุข คนทั้งหลายย่อมเดือดร้อนในเรื่องทุกข์สุขทั่วไปเพราะว่ากิเลสเครื่องมัดสัตว์เป็นของก้าวล่วงได้ยากสำหรับคำว่ามิคารมานดาคำนี้เป็นชื่อพิเศษแสดงประวัติว่านางวิสาขาได้เคยต่อสู้กับมิคาระเศษฐีบิดาสามีซึ่งบีบคั้นนางต่างๆและได้อาศัยความดีต่อสู้ จนบิดาสามียอมเรียกเธอว่าเป็นมารดาจึงได้ชื่อว่ามิคารมาดาหนึ่งยสิ้นหลงยอมไม่หวั่นไหวสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนารามของอนาถบินทิกะเขหรหาบดีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้น ท่านพระสาวรีบุตรนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นพระสาวรีบุตรเช่นนั้นจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าผู้เขาศิลาไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ด้วยดีฉันใดเพราะสิ้นความหลงภิกษุย่อมไม่หวั่นไหวดุจผูเขาฉนั้น 127ยไม่โศในถํากลางแห่งความโศ ส, สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเวรุวนารามอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตขณะนั้นท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรผู้ไปสู่ที่ลับหลีกเร้นอยู่ได้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราเราได้ดีหนอ พระศาสดาของเราเป็นพระอระหรันตรัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและเราก็ได้ออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนในพระธรรมวินัยที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วเพื่อนร่วมประพฤติปรมจร์ของเราเล่าก็มีศีลมีกัลยาณธรรมและทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายตัวเราก็มีจิตตั้งมั่นดีมีอารมณ์เป็นหนึ่งและเป็นพระอระหันต์ขี่นาศพ ผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเราจะอยู่จะตายก็นับว่าเจริญลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของท่านพระอุปเสนาวังคันตบุตรแล้วจึงทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดจะเป็นอยู่ก็ไม่เดือดร้อนจะตายก็ไม่เศร้าโศกผู้นั้นเป็นผู้เห็นบทแห่งธรรม ย่อมไม่เศ้าโศกในถ้ากลางแห่งความโศกภิกษุผู้ถอนความทยานอยากในความมีความเป็นได้มีจิตสงบสิ้นการเวียนว่ายในชาติในที่นี้หมายถึงความเกิดความเกิดอีกของเธอย่อมไม่มีหนึ่งยสอกเขาอกเรา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามของอนาถบิณฑิกะเขรหบดีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประสัยที่โกศลเสด็จสู่ชั้นบนประสาทอันประเสริฐกับพระนางมัลลิกาเทวีพระองค์ตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีว่าดูก่อนมัลลิกาใครๆคนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอเองมอีหรือไม่ พระนางมัลลิกากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชใครใคคนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมชั้นไม่มีก็ใครๆคคนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์เองมีหรือไม่พระเจ้าประเสริฐที่กลัวสนรัสตอบว่าดูก่อนมัลลิกาใครใคคนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตัวของเราเองไม่มีขณะนั้น พระเจ้าเปเสนที่โกศลเสด็จลงจากประสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลข้อโต้ตอบของพระองค์กับพระนางมาลิกาเทวีให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงแปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุคคล ตรวจดูด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้วไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเองในที่ไหนไหนตนเองเป็นที่รักยิ่งของคนทั้งหลายอย่างนี้ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น129ยประวัติสุปาพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวนารามอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคฤห์สมัยนั้นคนเป็นโรคเรื้อนผู้มีนามว่าสุปาพุทธเป็นคนจนคนกำพรา้าคนขัดสนสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคแวดล้อมด้วยบริษัทใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมอยู่สุปาพุทธผู้เป็นโรคเรื้อนเห็นหมู่มหาชนประชุมกันอยู่แต่ที่ไกล ครันเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเขาคงแบ่งของเคี้ยวของกินอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นั้นโดยไม่ต้องสงสัยแม้ฉไหนเราพึงเข้าไปหามหาชนกลุ่มนั้นบางทีจะได้ของเคี้ยวของกินอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นั้นบ้างสุปาพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนจึงเข้าไปหามหาชนกลุ่มนั้นก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคแวดล้อมด้วยบริษัทใหญ่ ประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ครันเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเขาไม่ได้แบ่งของเคี้ยวของกินอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้พระสมณะโคโดมนี้กำลังแสดงธรรมในบริษัทแม้ฉนันเราพึ่งฟังธรรมะจึงนั่งลงณที่นั้นด้วยคิดว่าเราจักฟังธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงพิจารณาดูบริษัททั้งปวงโดยรอบคอบว่าใครในที่ประชุมนี้จะควรรู้แจ้งธรรมะก็ได้ทรงเห็นสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนผู้นั่งอยู่ในบริษัทนั้นครั้นทรงเห็นแล้วจึงทรงพระดำริว่าสุปปพุทธะผู้นี้ควรรู้แจ้งธรรมได้จึงทรงปรารภสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อน แสดงอนุปุพพิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวตามลำดับคือทรงประกาศกล่าวว่าด้วยทานศีลโทษความตําซามความเศร้าหมองของกามและอานิสง์หรือผลดีในการออกบวชเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสุปาพุทธผู้เป็นโรคเรื้อนเป็นผู้มีจิตอันควรมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ คือกิเลสที่กั้นจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาะว่าด้วยทุกข์เหตุให้ทุกเกิดความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาะที่พระองค์ทรงเปิดง่ายขึ้นได้เองซึ่งหมายถึงทรงค้นพบด้วยพระองค์เองดวงตาเห็นธรรมอันปราจจากทุลีมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ได้เกิดขึ้นแก่สุปาพุท ธ, ธผู้เป็นโรคเรื้อนณที่นั่งนั้นเองเสมือนหนึ่งผ้าอันบริสุทธิ์ปราศจากจุดด่างร้อยควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉนั้นลำดับนั้นสุปาพุท ธ, ธผู้เป็นโรคเรื้อนผู้มีธรรมะอันเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้ว อย่างลงสู่ธรรมก้าวล่วงความสงสัยแคลงใจได้แล้วถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยคือไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในเรื่องคำสอนของพระาศาสดาลุกขึ้นจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วกราบทุนพระผู้มีพระภาคว่าไผรอนักพระเจ้าค่ะ เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดชี้ทางแก่คนหลงทางตามประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีตาจะได้เห็นรูปพระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศ พ, พระธรรมโดยปริยายเป็นอเนกมีข้อเปรียบฉนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิตลำดับนั้นสุปาพุท ธ, ธผู้เป็นโรคเรื้อนอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงชักชวนให้อาจหานเร่าเริงด้วยธรรมมิกราชื่นชมพาษสิทธิของพระผู้มีพระภาคลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมทำประทักษิณแล้วหลีกไป ต่อมาสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนหลีกไปแล้วไม่ช้าก็ถูกโครุ่นขิดถึงแก่ชีวิตลำดับนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนเป็นโรคเรื้อนชื่อสุปปะพุทธะผู้อันพระผู้มีพระภาคส่งชี้แจงชักชวน ให้อานหารร่าเริงด้วยทำมิกถานั้นทำกาละคือตายเสียแล้วสุปาพุท ธ, ธนั้นมีคติและความเป็นไปข้างหน้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสิ้นกิเลสเครื่องผูกมัดสามประการคือความเห็นเป็นเหตุยึดว่ากายของเราความสงสัยการติดในศีลและพรต เพราะสิ pressed, iterate, ้นกิเลสเครื่องผูกมัดสามประการสุปพุทธะผู้เป็นโรคเรือนเป็นพระโสดาบันเป็นผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้หรือบรรลุอรหันต์ในเบื <C os Pre> ้ Miz, องหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นภิกษ <Yep. S 1> ุรูปหนึ่งจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้สุปาพุท ธ, ธผู้เป็นโรคเรื้อนเป็นคนจนเป็นคนกำพร้าเป็นคนขัดสนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนสุปาพุท ธ, ธผู้เป็นโรคเรื้อนได้เป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงราชครึกนี้เขาเดินทางไปสู่สนามในอุทยานได้เห็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทรงพระนามว่า สักคะระสิกีกำลังเที่ยวไปเพื่อบินธบาตในพระนครครั้นเห็นก็คิดว่าคนขี่เรือนอะไรนี่เที่ยวเดินอยู่จึงถมน้ำลายแสดงอาการไม่เคารพแล้วจากไปด้วยผลแห่งกรรมนั้นเขาหมกไหมในนรกสิ้นปีเป็นอันมากสิ้นร้อยปีเป็นอันมากสิ้นพันปีเป็นอันมากสิ้นแสนปีเป็นอันมาก ทั้งหมดเป็นสำนวนให้เข้าใจว่าตกนรกอยู่นานมากด้วยผลอันเหลือแห่งกรรมนั้นเขาจึงได้เป็นคนยากจนเป็นคนกำระ้ะเป็นคนขัดสนในกรุงราชครืน้นี้เขาอาศัยพระธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วจึงสมทานคือถือเอาศรัทธาคือความเชื่อศีลความรักษากายวาจาให้เรียบร้อย สุตตะการสดับตรับฟังจาคะการสละกิเลสปัญญาความรอบรู้ครั้นเขาอาศัยพระธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วสมทานศรัทธาจนถึงสมทานปัญญาแล้วภายหลังที่สิ้นชีวิตแล้วก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงณที่นั้นเขายอมรุ่งเรืองเหนือเทพเหล่าอื่นโดยวันณนะโดยยศ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเมื่อยังมีความเพียรบัณฑิตพึงเว้นบาปทั้งหลายในชีวโลกคือโลกแห่งสัตว์ที่มีชีวิตเหมือนคนมีตาดีเว้นทางไม่สม่ำเสมอเะนั้น 130. ถ้ากลัวถูก ก็อย่าทำความชั่วสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามของอนาถบินทิกคาคารหะบดีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นเด็กๆหลายคนจับปลาอยู่ในระหว่างกรุงสาวัตถีกับเชตวนารามขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาศกคือนุ่งผ้าแล้วทรงถือบาทรและจีวร เข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบินธรรมบาตพระองค์ได้ทอยพระเนตรเห็นเด็กๆหลายคนเหล่านั้นกำลังจับปลาอยู่จึงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสว่า mm. เด็กๆทั้งหลายพวกเธอกลัวทุกข์ไม่รักทุกข์ใช่หรือไม mm. ่เมื่อเด็กทั้งหลายกราบทูลรับว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าข้าพระองค์ทั้งหลายกลัวทุกข์ไม่รักทุกข์ ยึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวทุกข์ถ้าทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็อย่าทำกรรมชั่วไม่ว่าในที่แจ้งหรือในที่ลับถ้าท่านทั้งหลายจะกระทาหรือกระทาความชั่วอยู่ก็จะไม่พ้นไปจากทุกข์ได้แม้จะตั้งหน้าหนีไปอยู่หนึเอด คนค่อมแต่มีคุณธรรมสูงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามของอนาถบินธิกะเขาเรือหบดีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระพัฒยะผู้ข่อมซึ่งเรียกชื่อติดกันว่าละกุลตกะพัฒยะเดินตามหลังภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาค ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระละกุลตกะพัทยะเดินตามหลังภิกษุลายรูปมาแต่ไกลเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยต่ำมากอันภิกษุทั้งหลายบางเสียดยมากครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้นหรือไม่ผู้เดินตามหลังภิกษุลายรูปมาแต่ไกล เป็นผู้มีผิวพันสามไม่น่าดูเตี้ยต่ำมากอันภิกษุทั้งหลายบังเสียโดยมากภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นแหละเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสมาบัติที่ภิกษุนี้ไม่เคยเข้าหาได้ยากมาก คุระบทุทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริยะโดยชอบเพื่อประโยชน์อันใดภิกษุนี้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์นั้นอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์แล้วด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองอยู่ในปัจจุบันลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า รถที่ไม่มีส่วนบกพร่องมีหลังคาขาวมีกรำมข้างเดียวกำลังแล่นอยู่ท่านจงดูรถคันนั้นอันไม่สะเทือนมีกระแสะอันขาดไม่มีเครื่องผูกกำลังมาอยู่สำหรับพระพุทธภาสิทธินี้เปรียบพระอรหันต์กับรถที่ดีและดีอย่างผิดกว่ารถธรรมดาคือรถธรรมดา มีซี่ล้อมากหรือมีกรรมมากแต่นี่มีกรรมซี่เดียวท่านเปรียบด้วยสติรถธรรมดามีน้ำมันที่หยอดไว้ตามหัวเพลาตามดุมไหลยเยิม้มแต่รถนี้ไม่มีกระแสคือเทียบด้วยไม่มีกระแสตันหาไหลรถธรรมดาต้องผูกมัดรัดรึงแต่รถคันนี้ไม่ต้องมีอะไรผูกเทียบด้วยไม่มีกิเลส 132ลักษณะแห่งที่สุดทุกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับในเชตวนารามของอนาถบินธิกะเขารือหบดีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงแก่ภิกษุทั้งหลายทรงชักชวนให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมิกฐาอันปฏิสังยุตต์คือเกี่ยวข้องด้วยพระนิพพาน และภิกษุเหล่านั้นก็สนใจตั้งใจเมียโสดสดับพระธรรมลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นจึงทรงแปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ในอายตนะนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีอากาศสานัญจายตนะ วิญญาณัญญายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองเราย่อมกล่าวถึงอายตนะนั้นว่าไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปไม่ใช่การตั้งอยู่ไม่ใช่การจุติคือการเคลื่อนจากที่เดิมไม่ใช่การเกิดขึ้นไม่มีที่ตั้ง ไม่มีความเป็นไปไม่มีอารมณ์นั้นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ข้อความทั้งหมดจากอุทานหมายเหตุคําว่าอากาสานัญจายตนะหมายความว่าแหล่งที่มีอากาศไม่มีที่สุดวิญญาณัญจายตนะแหล่งที่มีวิญญาณไม่มีที่สุดอากินจัญญ ย, ยตนะ แหล่งที่ไม่มีอะไรเลยในวสัญญานาสัญญายตนะแหล่งที่มีสัญญาคือความจําได้ก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นชื่อของอรูปฌปานทั้งสี่และเป็นชื่อของที่เกิดของผู้บรรลุอรูปฌานทั้งสี่นั้น